พระรตยปิฎกฉบับประชาชนพัะรัยปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่สองเสนาสนะคันธกะหมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัยทรงอนุญาตที่อยู่ห้าชนิดเศรษฐีกรุงราชคฤห์เริ่มใส่ในภิกษุทั้งหลายที่อยู่กับพระพุทธเจ้าณเวรุวนารามใกล้จะสร้างวิหารถวายจึงขอให้ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงอนุญาตที่อยู่ห้าชนิดคือหนึ่งวิหารหรือกุติปกติ 2. เพิงหรืออันทโยคะ 3. เรือนเป็นชั้นๆหรือปราศาส 4. ่เรือนโล้นหรือหลังคาตัดบาลีว่าหั ม, มิยะและห้า หรือขูหาภายหลังเมื่อมีคนทราบว่าทรงอนุญาตวิหารหรือที่อยู่แก่สงจึงสร้างที่อยู่ถวายเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าทรงอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่อยู่นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นประตูกรอลิ่มสลักหน้าต่างหน้าต่างมีลูกกรงเป็นต้น เครื่องนั่งเครื่องนอนส่งอนุญาตเตียงนอนเพื่อไม่ต้องนอนบนพื้นดินและตังสาหรับนั่งหลายชนิดส่งอนุญาตอาสันธิกะคือม้าสี่เหลี่ยมทั้งชนิดที่สูงและชนิดที่มีส่วนเจ็ดคือที่เท้าแขนสองที่พิงหนึ่งและเท้าสี่มีลักษณะตรงกับเก้าอี้เท้าแขนหรืออามแช สรงอนุญาตเตียงนอนและเตียงต่างอีกหลายชนิดส่งห้ามใช้เตียงสูงแต่ให้มีที่รองเตียงได้ที่รองเตียงไม่ให้มีเท้าสูงเกิน8นิ้วและส่งอนุญาตส่วนประกอบอื่นๆทรงอนุญาตหมอนยัดนุ่นสามชนิดคือนุ่นต้นไม้ไม้เลือ้อยและหญ้าหรือโปโตกีทรงห้ามใช้หมอนยาวครึ่งตัว โดยให้ใช้หมอนขนาดพอกับศีรษะทรงอนุญาตฟปกยัดด้วยของห้าชนิดคือขนสัตว์เศษผ้าเปลือกไม้หญ้าและใบไม้ต่อจากนั้นเป็นการอนุญาตการห้ามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเบตเเลดอีกเป็นอันมากเช่นห้ามเขียนรูปผู้หญิงชายในวิหารลงท้ายด้วยการทรงอนุญาตหลังคา5้าชนิด คือที่ทำด้วยอิฐศิลาปูนขาวหญ้าใบไม้อนาถบินทิกะคารหาบดีนับถือพระพุทธศาสนาอนาถบินทิกะคารหาบดีเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถีผู้เป็นสามีของน้องสาวแห่งเศรษฐีกรุงราชฤกษ์เดินทางไปกรุงราชฤรษ์ ทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วและเศรษฐีกรุงราชฤกษ์กำลังเตรียมถวายอาหารบินธบาตจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับพระธรร ม, มเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ถวายพัฒต า, าในวันต่อมาแล้วจึงเอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีและได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน เมื่อไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ซื้อสวนนอกเมืองแปลงหนึ่งจากราชกุมานชื่อเชตะสร้างเชตะวานารามขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตั้งภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชฤรธ์มาทางกรุงภัยสาลี ประทับณกูตาคารสาลาป่ามหาวันตรัสอนุญาตให้สงสวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างวิหารซึ่งเขาะาดีผู้หนึ่งสละทรัพย์สร้างลำดับอาวุโสในการเสด็จสู่กรุงสาวัตถีนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสิทธิของภิกษุฉัพคี มักจะเดินทางล่วงหน้าเที่ยวจองที่พักไว้มากมายเพื่ออุปัชายะเพื่ออาจารย์และเพื่อตัวเองเป็นเหตุให้พระอื่นๆเช่นพระสารีบุตรหาที่พักไม่ได้ต้องไปพักที่โคนไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงตรัสให้เรียกประชุมสงฆ์กำหนดให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติชอบต่อกันและให้มีสิทธิต่าง เช่นได้รับการกราบไหว้ลุกขึ้นต้อนรับการทำอัญชลีการแสดงความเคารพการได้อาสนะที่ดีได้น้ำที่ดีได้อาหารที่ดีตามลำดับอาวุโสคือแก่พรรษากว่าผู้ใดปฏิเสธการถือเอาตามลำดับอาวุโสเกี่ยวกับของสงผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎ บุคคลผู้ไม่ควรไหว้สิบประเภททรงแสดงถึงบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้สิบประเภทคือ 1. ผู้บวชภายหลังไม่ควรที่ผู้บวชก่อนจะไหว้ 2. ผู้ไม่ได้บวชไม่ควรที่ผู้บวชจะไหว้ 3. ภิกษุที่เป็นนาน า, นาสังวาดคือต่างนิกายกันแก่กว่า ถ้าพูดไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรไหว้ 4. มาตุคามคือผู้หญิงอันภิกษุไม่ควรไหว้ 5. กระเทย 6. ภิกษุที่อยู่ปริวาส 7. ภิกษุที่ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 8. ภิกษุผู้ควรประพฤติมานัด 9. ภิกษุผู้ประพฤติมานัด ภิกษุผู้ควรสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเศษทั้งหมดนี้ไม่ควรที่ภิกษุจะพึงไหว้บุคคลผู้ควรไหว้สามประเภท 1. ผู้บวชก่อนควรที่ผู้บวชที่หลังจะไหว้ 2. ภิกษุที่เป็นนานาสังวาสคือต่างนิกายกันแก่กว่าถ้าพูดเป็นธรรม ก็ควรไหว้ 3. ปพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ควรไหว้มนดบที่สร้างอุทิศสงสิธิ์ของภิกษุชพัพพคีถือโอกาสเลี่ยงข้อปฏิบัติที่ให้ถือเอาตามลำดับอาวุโสเกี่ยวกับของสงศ์เมื่อมีผู้สร้างมนดบอุทิศแก่สงศ์ ก็เที่ยวจับจองแย่งที่ให้อุปัชชายะให้อาจารย์และเพื่อตนเองโดยอ้างว่าที่ห้ามนั้นห้ามเฉพาะของสงไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับที่อยู่ที่มีผู้สร้างขึ้นอุทิศสงเป็นการอ้างเกี่ยวกับถ้อยคำที่ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบก็ทรงห้ามทำเช่นนั้นอีกและปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิด ที่นั่งต่างชนิดของข้ารืหัดเมื่อคนทั้งหลายนิมนต์พระไปฉันในโรงฉันในละแวกบ้านก็จัดที่นั่งต่างชนิดหลายอย่างเป็นของดีๆตามที่คฤรืหัดใช้ครั้งแรกทรงห้ามกำหนดอาสันทิบันลังและของยัดนุ่นภายหลังทรงอนุญาตให้นั่งทับเครื่องนั่งของค้รืหัดทุกชนิดแต่ไม่ให้นอนทับ การถวายเชตวนารามเมื่อเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วอนาถาบินธิกะเขรหบดีนิมนชันในวันรุ่งขึ้นเมื่อถวายพัฒตาหารเสร็จกราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเชตวนารามตรัสให้ถวายแก่สงศิทิศทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาสู่เชตวนาราม ปัญหาลำดับอาวุโสเพิ่มเติมทรงห้ามภิกษุผู้แก่พรรษากว่าไล่ภิกษุอ่อนกว่าที่กำลังนั่งฉันค้างอยู่เพื่อเข้านั่งแทนทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ทำเช่นนั้นสำหรับเรื่องนี้พระอุปนนทะมาช้าไล่ภิกษุอื่นเกิดโกลาหลนในขณะฉัน แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันสิทธิในที่นั่งตามลำดับอาวุโสซึ่งภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าจะปฏิเสธไม่ได้ตรัสห้ามไล่ที่ภิกษุไข้เพื่อถือเอาที่อยู่ตามลำดับอาวุโสทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไล่ภิกษุฉัพคีถือโอกาสที่ตนเป็นไข เลือกเสนาสนะที่ดีๆโ ด, ด้วยคิดว่าใครไล่ตนไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้จัดที่นอนตามสมควรแก่ภิกษุไข่หมายถึงไม่ใช่เลือกเองตามชอบใจภิกษุฉับ พ, พขัขีอ้างเลศหรือออกอุบายกีดกันเสนาสนะและถือสิทธิฉุดร่าภิกษุพวก17เจ็รูปออกจากที่อยู่ ส่งห้ามทมเช่นนั้นและประบับอาบัตทุกกฎในกรณีกีดกันเสนาสนะโดยอ้างเล่และปรับอาบัตปาจิตตีในกรณีฉุดคร่าเพราะปรารบเหตุเหล่านี้จึงตรัสให้จัดสรรภิกษุถือเสนาสนะคือเข้าอยู่อาศัยโดยแต่งตั้งภิกษุผู้จัดสรรการจัดสรรที่อยู่อาศัย ทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุผู้จัดสันที่อยู่อาศัยคือเสนาสนะคาหาประกาศประการคือ1ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวและ5รู้จักเสนาสนะที่จัดสันแล้วและยังไม่ได้จัดสัน ทรงแนะวิธีสวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้จัดสรรที่อยู่อาศัยเป็นการสงและรัสแนะวิธีจัดสรรโดยให้นับภิกษุก่อนแล้วให้นับที่นอนนับแล้วให้จัดสรรตามจำนวนที่นอนเมื่อจัดสรรแล้วยังมีที่นอนเหลือให้จัดสรรตามจานวนวิหารหรือกุฏิถ้ากุฏิยังเหลือก็ให้จัดตามจานวนบริเวณ ถ้าบริเวณยังเหลือก็ให้แบ่งส่วนเล็กๆน้อยๆให้อีกเมื่อได้รับส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วถ้ามีภิกษุอื่นมาแม้ไม่อยากให้ก็ต้องให้ส่งห้ามจัดสรรที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาและส่งห้ามยึดครองที่อยู่อาศัยตลอดการอนุญาตเพียงสามเดือนต่อจากนั้นจะห่วงห้ามไม่ได้ ทรงแสดงการจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะคาหะว่ามีสมอย่างคือ 1. การจัดสรรตอนต้นคือในวันใกล้เข้าพรรษาแรก 2. การจัดสรรตอนหลังคือในวันใกล้เข้าพรรษาหลังและ 3. การจัดสรรที่นอกจากระหว่างพรรษาคือเมื่อใกล้จะถึงปวารณา จัดเพื่อให้จําพรรษากราวต่อไปทรงห้ามภิกษุรูปเดียวห่วงห้ามที่อยู่อาศัยไว้ถึงสองแห่งถ้าทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎการนั่งต่ำนั่งสูงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุผู้สอนที่บวชใหม่นั่งอาสนะเสมอหรือสูงกว่าได้ และให้ภิกษุผู้เป็นเทระหรือแก่กว่าที่เรียนนั่งอัศนะเสมอหรือต่ำกว่าได้ด้วยความเคารพในธรรมในปัจจุบันนี้ภิกษุที่แสดงธรรมแม้พรรษาน้อยก็ขึ้นนั่งบนธรร ม, มาทสูงกว่าภิกษุทั้งปวงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุที่มีสิทธิในการนั่งเสมอกันนั่งร่วมกันได้ คือภิกษุที่มีพรรษาไล่เลี่ยกันภายในสามปีภิกษุที่มีสิทธิในการนั่งเสมอกันนั่งเตียงต่างเดียวกันเตียงต่างพังลงมาจึงทรงจำกัดจำนวนให้นั่งไม่เกินสามรูปเตียงต่างก็ยังพังอีกจึงให้นั่งได้เพียงสองรูปส่วนที่นั่งยาวแม้ภิกษุจะมีสิทธิในการนั่งไม่เสมอกัน ก็ให้นั่งร่วมกันได้เว้นแต่กระเทยผู้หญิงผู้มีอวัยวะเพศทั้งสองเพศมีปัญหาว่าอย่างไรจึงจัดว่าเป็นที่นั่งยาวจึงทรงกําหนดว่าถ้านั่งได้ถึงสามคนก็จัดเป็นที่นั่งยาวอย่างต่ําที่สุดแต่ถ้ามากกว่านั้นไม่มีปัญหาปราศาสต และเครื่องนั่งนอนต่างๆทรงอนุ ญ, ญาตให้ใช้ปราสาทได้ทุกชนิดปราสาทในที่นี้คือเรือนเป็นชั้นๆส่วนเครื่องนั่งนอนเป็นต้นของขรือหัดรวมหลายอย่างซึ่งถวายแก่สงเมื่อคราวพระอัยยิกาหรือยายของพระเจ้าเปรเซนที่โกศนสิ้นพระชนนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้ตัดเท้าอาสันทิหรือตังสี่เหลี่ยม แล้วใช้ได้ส่วนบันลังหรือเก้าอี้น่วมให้หรื้อขนสัตว์ออกแล้วใช้ได้เครื่องใช้ยัดนุ่นให้หรื้อนุ่นมายัดหมอนส่วนเครื่องใช้ที่เหลือให้ใช้เป็นเครื่องปูพื้นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นอีกพิกษุที่อยู่ประจาในวัดใกล้หมู่บ้าน มีภิกษุอื่นผ่านไปมาเสมอลำบากด้วยการจัดที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ข้อขัดข้องนี้สงจึงประชุมกันมอบที่อยู่อาศัยให้ภิกษุรูปหนึ่งเสียทุกรูปจึงได้อยู่อาศัยด้วยการให้ของภิกษุรูปนั้นเมื่อมีภิกษุผ่านไปมาจะขอพักอาศัยก็อ้างว่าได้ยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งไปแล้วไม่มีที่จะให้พัก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงวางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมคือสิ่งที่จะสละหรือให้ใครๆไม่ได้ห้าหมวดของห้าอย่างที่สงหรือคณะหรือบุคคลจะสละให้ใครๆไม่ได้แม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละผู้สละหรือยกให้ต้องอาบัติทุนลัดใจคือหนึ่งวัดและที่ตั้งวัดสอง วิหารและที่ตั้งวิหารข้อนี้หมายถึงกุฏิที่อยู่ทั่วไป 3. เตียงตังฟูกหมอน 4. เครื่องใช้โลหะคือหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดใหญ่หรือพระโตขวานผึ่งสำหรับถากไม้จอบหรือเสียมสว่านสำหรับเจาะไม้ ซึ่งสิวก็อยู่ในข้อนี้หเถาวันเช่นหวายไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามันดินเหนียวของทําด้วยไม้ของทําด้วยดินเผาที่ห้ามนี้คือห้ามไม่ให้เอาของสงไปเป็นของบุคคลภายหลังทรงเพิ่มข้อความให้มากขึ้นจากคําว่าไม่ให้สละเป็นไม่ให้แบ่งไม่ให้แจก ของห้าหมวดที่กล่าวแล้วผู้ใดแบ่งหรือแจกต้องอาบัติทุนละใจการควบคุมการก่อสร้างห้ามมอบหมายการควบคุมการก่อสร้างในเรื่องเล็กเน้อยน้อยเช่นติดประตูทาสีมุงหลังคาและห้ามมอบหมายการควบคุมการก่อสร้างนานเกินไปเช่น ยีสถึง30ปีหรือตลอดชีวิตหรือจนถึงเวลาเผาศพผู้รับมอบหมายห้ามมอบหมายการก่อสร้างวิหารหมดทุกอย่างห้ามมอบหมายการก่อสร้างสองอย่างแก่ภิกษุรูปเดียวภิกษุผู้รับมอบหมายการก่อสร้างจะถือสิทธิห่วงห้ามที่อยู่ของสงฆ์ไม่ได้ภิกษุอยู่นอกสีมา ห้ามมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างจะครอบครองที่อยู่อาศัยได้เพียงสามเดือนห้ามครอบครองตลอดไปเมื่อพ้นสามเดือนต้องยินยอมให้จัดสรรใหม่ภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างพอรับมอบหรือทำค้างไว้ศึกไปหรือเดินทางไปที่อื่นเป็นต้น ให้มอบให้ผู้อื่นทำการแทนต่อจากนั้นเป็นการแสดงสิทธิในสิ่งก่อสร้างว่าในกรณีเช่นไรเป็นของสงฆ์เป็นของบุคคลการขนย้ายของใช้และรักษาที่อยู่อาศัยห้ามขนย้ายของใช้ประจำที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งไปที่อื่น ข้อนี้คือผิดความประสงค์ของผู้ถวายขอยืมไปชั่วคราวได้นำไปเพื่อรักษาไม่ให้เสียหายได้แลกเปลี่ยนหรือภาติกรรมได้ในกรณีที่ของนั้นราคาแพงเกินไปไม่เหมาะแก่สงจะใช้สอยเองต่อจากนั้นเป็นการอนุญาตเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดเช่นเครื่องเช็ดเท้าและใช้รักษาที่อยู่อาศัย ไม่ให้เหยียบทั้งที่เท้าเปื้อนเท้าเปียกหรือเหยียบทั้งรองเท้าท่งอนุ ญ, ญาตกระโถนเพื่อไม่ให้บ้วนน้ำลายลงบนพื้นส่งปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้บ้วนน้ำลายลงบนพื้นท่งอนุ ญ, ญาตให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียงตั้งเพื่อไม่ให้พื้นที่อยู่เสียหายท่งห้ามพิงผนังที่ทาสี และอนุญาตให้มีแผ่นกระดานสำหรับพิงและให้เอาผ้าพันแผ่นกระดานนั้นเพื่อกันครูดผนังรวมทั้งอนุญาตให้นอนโดยปูผ้าก่อนอาหารและการแจกอาหารทรงอนุญาตการถวายอาหารเจาะจงการนิมนต์การถวายโดยสลากการถวายประจาปัก การถวายประจำวันอุโบสถการถวายประจำวันค่ำหนึ่งและทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุผู้แสดงอาหารคือผู้จัดภิกษุไปรับอาหารในที่นิมนต์ว่าไม่มีอคติสี่และรู้ว่าแสดงแล้วหรือยังไม่ได้แสดงคือจัดแล้วหรือยังทรงแสดงวิธีสวดสมมุติคือแต่งตั้งภิกษุผู้แสดงอาหาร และแนะวิธีแจกโดยใช้สลากคือซีไม้หรือแผ่นผ้าเจ้าหน้าที่ทำการสงอื่นๆทรงแนะให้มีการแต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงอื่นๆโดยการสวดประกาศคือภิกษุผู้ปูลาดเสนาสนะผู้ดูแลเรือนคลัง ผู้รับจีวรผู้แจกจีวรผู้แจกข้าวยาคูผู้แจกผลไม้ผู้แจกของเคี้ยวผู้แจกของเล็กๆน้อยๆเช่นเข็มมีดรองเท้าผู้แจกผ้าผู้แจกบาทผู้ใช้คนทำงานวัดผู้ใช้สามเณร